อนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ448 1. ภพิกษุยังไม่ได้ฟังพระปฏิโมกโดยพิสดาร2อพิกษุฟังพระปฏิโมกโดยพิสดารแต่ไม่ถึง 2-3 ถึงครั้ง 3. ภพิกษุไม่ประสงค์จะทำผู้อื่นให้หลง 4. ภพิกษุวิกลจริต 5. ภพิกษุต้นบัญญัติโมหานาสิกขาบทที่3จบ